ระธรรมก็คือโลกุตรศีลโลกุตระสมาธิโลกุตรปัญญาด้วยกันโลคีธรรมก็เหมือนกันก็โลกีศีลโลกีสมาธิโลกีปัญญานั่นเองโลกุตรธรรมโลกุตรศีลโลกุตรสมาธิโลกุตรปัญญาก็มีในทางพระพุทธศาสนาอันเดียวเท่านั้นเนือนอกนั้นเป็นโลกีไม่ใช่โลกุตระธรรมไม่ได้พูดเข้าข้างตัว พื่เข้าข้างธรรมพระบระมา ศ, ศาสลายืนยันแล้วในมหาปรินิพานสูตรโลกุตระธรรมคืออะไรว่างโลกุตระธรรมก็คือขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตาบเท่าเข้าสู่พระนิพานและลึกได้ลึกได้พอดีผูขาดจองขาดไม่ถือรัฐที่อื่นมาพนไปนเรียกว่าโลกุตระศัก ธ, รธาร์ โลคุตระเชื่อเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เฉดายร่วงละเมิดศีลห้าเรียกว่าโลกุตระศีลไม่เฉดายอยากจะถือศาสตราอื่นไม่เฉดายอยากจะถืออยู่ยงคงกพันไม่เฉดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เฉดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่เฉดายอยากจับค้าขายเครื่องป่าร ค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็น เ, เนื้อนสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้โลกุตระสุปฏิปันโนไม่ใช่หนาอยากล่วงละเมิดเลยทาอันเป็นแกนสารเป็นที่พึ่งอันกเกษมได้ก็นับแต่สุปฏิปันโนเป็นต้นไฟเหลือนอกนั้นต่ำกว่านั้นลงมาเอาเป็นประมาณไม่ได้ ไม่เป็นเครื่องอุ่นใจสุภจรปโนเป็นเครื่องอุ่นใจแล้วมีคติดีเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็มีคติมันไม่มนุษย์ก็สวรรค์มนุษย์ก็เป็นโลกุตระมนุษย์สวรรค์ก็เป็นโลภุตระสวรรค์ตามกว่านั้นลงมาพระบรมศาสด า, า, าไม่รับรองบางทีก็ไปสวรรค์มาก บางทีก็ไปนรกมากบางทีก็ไปมนุษย์มากบางทีก็ไปเป็นเปรตแต่วิสัยอัุรกายตลอดเปรตทุกคาพวกว่าบางทีก็ไปนรกมากเพราะหลายบางทีส่วนสุเมตุโนมีบางทีเดียว เดินตรงไปสู่พระนิพพานเลยมีทั้งมนุษย์สมบัติด้วยมีทั้งสวรรค์สมบัติด้วยมีทั้งพรหมสมบัติด้วยมีทั้งนิพพานสมบัติด้วยดึงกันไปดึงดูดกันไปเลยไม่เหมือนโลกีโลกีเป็นภายเรือในเองเป็นน้ำไหลวนเป็นคนหลายใจผู้จะถึงรัวกุตระ ก็ไม่หาเดินโยกรมภาวนายากเกินไปหรอกทําไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะปัญญาดิ่งแล้วปัญญาดิ่งไม่เสดายร่องละเมิดสีลห้าเมื่อไม่ได้เมื่อไม่เสียดายร่องละเมิดสีนห้ า, หาก็คือปลดเวรภัยอันหยาบแล้วเวรธรรมนีเวรธมณีปลดเวรภัยแล้วเอาธรรมเอาศีลเอาภาวนาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเอาศีลเป็นอาวุธแล้ว ยกว่าปลดเวรภัยอันห ย, ยาบแล้วเวรภัยอันจะไปสู่นรลกพดแล้วอันจะไปเป็นเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์ที่ฉันหรือนักกก็พดแล้วจะไปเป็นมนุษย์ชั้นต่ำก็พดแล้วถ้าไม่เกิอดอีกก็ไม่ต่ำกว่าเกีชาติอย่างต่ำที่สุดอย่างกลางก็เกิอดอีกสามชาติอย่างเร็วที่สุดก็เกิอดอีกชาติเดียวก็เข้าสู่พระนธ์ปานไปซะ สูเปจิปน์ปโนมีหลายจำพวกสุูเจิันโนจะพวกหนึ่งคอยจะสําเร็จพระรหันในชาตินั้นก็มีเช่นพระอานนท์เป็นต้นท่านพระอานนท์เป็นพระสวสดา์บันฑแต่ก็สามารถเป็นพระรหันในชาตินั้นพระสสดิบัณแบบนี้เราไม่ว่าเอกพิชโอโกรังโกรสตกขตุปธรรมะเป็นพระสสดา์บันที่รอเคียวพระพุทธพระอรหันต์ในชาตินั้นเฉย ส่วนจนสิ้นชีวิตแล้วยไปยังถึงพระสวัสดบิบาลอยู่จึงนับว่าเป็นพระสวัสดบิบาลให้ทานรักษาศีลภาวนามีเจตนาเพื่อพ้ทุกข์ในวัฏสงสารเท่านั้นถ้าปฏิบัติเพื่อพ้ทุกข์ในวัฏสงสารปัญหาก็ไม่มาทําไมจึงปัญหาไม่มาพระเห็นใจในวตาทรงสารอย่างเต็มที่แล้วจิตใจก็ดิ่งถึงพระเนปาล พุทธโธคำเดียวก็นึกถึงพระเนพาลพุทโธธรมโอสังโฆพุทโธเนปานธรรมโมนเนปานสังโณเนปานไม่ได้พุทธโธธรมโอเพื่อแก้รําคาญกราบสามขั้งกับพุทธโธธรรมโอสังโณนิพพานะไม่ได้กราบเพื่อรวงประชุมชนนึกพุทโธก็ไม่ได้นึกพุทโธ ร, ทโทรวงตนหรือตัวของรวงท่านผู้อื่นหรือหลอกเกินขนมเขา เป็นพุทโธที่ไม่ยไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายลนว่าถ้าสงสารพุทโธรู้ระบาดบรรพบุญพุทโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเก็บไม่พามาตายธโมทรงไม่ซึ่งไม่มาซึ่งทำอันไม่เกิดไม่แก่ไม่แก่ไม่ตายสังโฆปฏิบัติเพื่อไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอันนั้นเป็นเจตนาของสุปจิปันโนเจตนาของโลกีก็พุทโธเลขพุทโธผาพุทโธวัต พุโทโธไปซักไมถูกนะน่านภาวนาอันไหนก็ดีหมดถ้าจิตของเราอย่างถึงพระเนปานเราทําเพื่อ พ, พระเนพานพิจารณาความตายก็ดีพิจารณาพุโทโธก็ดีพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็ดีพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตก็ดีดีหมดเจตนาของเรา มันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราเจตนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนะ่ภาวนาอันไหนก็มีก็มีอิทธิพลทั้งนั้นให้ทานเข้าเม้หาควักเส้นหนึ่งก็าตามก็มีอิทธิพลจงเป็นผู้มีอิทธิพลในทางเพื่อพ้นทุกข์ในวตฏสงสารจงเป็นผู้ใจถึงในทางพ้นทุกข์ในวตฏสงสาร จงเป็นผู้มีอิสระเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏจรสงสารอย่ามีอิสระท่องเที่ยวในวัฏจรสงสารเลยจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏจรสงสารอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อท่องเที่ยวในวัฏจัรสงสารอยู่นี่เลยเรียกว่าปฏิบัติศีลธรรมมีกำลังมากโลกตระผู้มุ่งโลกตระดึงโลกีไปในตัวเป็นวัตถุนิยม และอุดอมคติไปในตัวดึงโลเกียไปในตัวด้วยเหมือนอากาศดึงน้ําขึ้นไปสูบางวลได้เหมือนทิศเหนือดึงสามารถดึงเข็มทิศชี้ไปในทางตัวได้เหมือนน้าห้วยหน่อความเบืองบางต่างๆเหมือนมหาสมทุทรเสามารถดึงน้ําห้อยหน่อความเบืองบางต่างๆไหลลงไปสู่ตนได้ ฉันใดตัวดี ผ, ผู้มุ่งเพื่อพ้นทุกข์นะ ว, ว่าตาทุกสารกุศลผลบุญอันใดก็ดึงดูดไปเป็นเมืองขึ้นเลยความดีชนิดไหนๆก็ตามและแป๊กไปน้อยก็ดึงดูดไปขี่ไปทางนั่นเลยพระอำนาจของโลกตระของเจตนาโลกตระดึงเจตนาอื่นๆของเจ้าตัวไปด้วยมีกำลังมาก พุโทโธคำเดียวพุโทโธนิพพานธรรมโอนิพพานสังโคนิพพานไม่ได้พุโทโธหลอกกินขนมเขาธรรมโงก็เหมือนกันสังโคก็เหมือนกันพิจารณาความตายก็เหมือนกันเพื่อไม่อยากมาตายอกีกเพื่อเข้าสู่พระนิพพานเพื่อให้กิเลสตายทำแต่ละบทบาดส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาแต่ละท่านแต่ละคน ปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดเหตุนั้นจึงบัญญัติว่าวิปัสสนาธุระธุระทางปัญญาไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระยกอภิษวิปัสสนาธุระก็คือปัญญาธุระปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดผู้รักษาศีลห้าก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าภูมิของสุปฏิปโนก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าภูมิของอุชุก็มีปัญญาเป็นหัวหน้า ภูมิของสามีจิตญายะสามีจิตก็มีปัญญาเป็นหน้าภูมิของพระพระเจ้ภูมิของพอระสมัยพระพุทเจ้าก็ากาเหมือนกันมีปัญญาเป็นในหน้ามีสติปัญญาเป็นในหน้าของธรรมทุกหมวดยินดีในพระเนรพลขณนะจิตเดียวยังยินดีกว่าในธรรมทั้งพวงและล้านขณะจิตอีกด้วย คือเป็นโลกุตรธรรมโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตรปัญญาโลกุตระเจตนาก็คือมุ่งคะแนนผ่านมุ่งพ้นทุกข์ในวัฏสงสารทำไมจึงมุ่งพนทุกข์พ้ น, พนมุ่งพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเพราะเห็นวัฏสงสารเต็มไปด้วยความเกิดแก่เก็บตายแล ะ, ะได้ปาณาโมไม่ได้สมหวังมีแต่กองทุกข์ทั้งปวงในวัฏสงสารอันนี้ มีแต่ตรายรักเกิดขึ้นแล้วก็แปรเปนแล้วแตกสลายสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็ดับไปในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็จะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันคำพูดแต่ละวรรบาตก็คืออนิจจังอนาเอียดนั่นเองเสียงกระหูส่งลงถึงใจก็ล่วงไปแล้วคืออนิจจังอนาเอียดเมื่อโลกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้ว ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สงสัยโรคอดีตโรกอนาคตโรคปัจจุบันด้วยโรคที่เป็นรูปด้วยโรคที่เป็นนามด้วยโรคที่อยู่ที่ใกล้ด้วยที่ไกลด้วยที่หยาบด้วยที่ประนีดด้วยเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแตกสลายจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้ก็ตามมันไม่ลงธรรมชาติเสเลยสังขารทั้งหลายมีหน้าที่เกิดขึ้นแปรปวนหาระหว่างไม่ได้นั่นมีหน้าที่หมุนอยู่เป็นรอบอยู่อย่างนั้นจริงหล่านี่ก็เหมือนกัน เกิดเงื่อนหาระหว่างไม่ได้แปรปวนหาระหว่างไม่ได้ดับไปหาระหว่างไม่ได้ติดต่อกันเป็นสายเลยเป็นสันติเลยจงรู้ตามเป็นจริงประจ้บัติตามเป็นจริงรุดพ้นจากความหลงตามเป็นจริงเมื่อไม่อะไรในโลกทั้งปวงเมื่อเห็นภาพพจน์ในโลกทั้งปวงมีแต่เกิดขึ้นและดับไปความหลงในโลกทั้งปวงก็ไม่มี เมื่อความหลงในโลกทาตุปวงไม่มีล้จิตใจก็ดิ่งถึงพระพานอันไม่เกิดไม่ดับเท่านั้นที่มันไม่ดิ่งถึงพระนพานอันเกิดอันดับมันก็เข้าใจว่าโลกนี้จะมีสุขอยู่โลกไม่มีสุขเลยเหตุนั้นพระอรหันต์จึงข้ามทะเลหลงของตนไปสักสุขของขันหะตก็มีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความมม่ซั์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภค ทุกเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็นสินถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอธิกังสิ่งไหนอยู่ใต้อำนาจอธิจังสิ่งนั้นก็ทุกเราดีๆนี่เองผู้บารมีแจกล้ามาแล้วก็ต้องยินดีในพระดิพานสิ่งเดียวเลยดิ่งเลยถอนไม่ออกจิดฟุงสานมาหายใจเข้าหายใจออก ทำเก um, ็ยรตแท้บันเทิงหายใจเข้าทำเก็ยรตแท้บันเทิงหายใจออกทำเก็ยรตมาให้ยึดม yes ั่นถือมันหายใจเข้าทำเก็ยรตมาให้ยึดมันถือมันหายใจออกเราจับไม่เย็นดีในโรคทั้งปวงหายใจเข้าเราจับไม่ย็นดีในโรคทั้งปวงหายใจออกเห็นความไม่เที่ยงในโรคทั้งปวงหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงในโรคทั้งปวงหายใจออกเห็นความไม่เกิดไม่ดับหายใจเข้าความไม่เกิดไม่ดับ ก็หา่างไม่ได้มีอยู่ทุกรมปานที่เราปารบอยู่นี่คืออะไรก็คือสังขารและกองทุกไม่ใช่พระเนพานพระเนพานไม่ได้มาปารบด้วยไม่ได้มาฟังด้วยไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มาปุงมแจงด้ว ย, ไ ม, ไ, มดดวยไม่ได้มานึกคิดด้วยไม่ได้มายืนเดินนั่งนอนรับตื่นด้วยแต่อาศัยปัจจุบัน เป็นขนทางเข้าสู่พระนิาพาศีลห้ามารวมในปัจจุบันสมาธิประรวมในปัจจุบันตั้งมั่นในปัจจุบันศีลตัดสีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันปัญญารอบรู้นในปัจจุบันฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิดิยะ เพื่อมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันยิทธเอาใจฟักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิมังสามัตรตรองพิจารณาเหตุผลในปัจจุบันคุณสี่อย่างนี้มีบอดีบุญแล้วอาจรักนําบุคคลใ้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันวิทีาเพียอนในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันสติ ระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน ต, ต ก, กลงศีลต ก, กลงกอบพระกรรมเป็นกําลังข้ายาก็กลมกลืนกันเป็นเชือกข้าเกลียวอยู่ในปัจจุบันนี่เองหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นรอบรอบหนึ่งแล้วเว้นไว้แต่ไมต้องการ หายใจออกข้างหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเว้นไม่แต่ไม่ต้องการคือเห็นอนิจจังคือเห็นไตลรลักษณ์ไตลรลักษณ์มีทั้งอนิจจังทั้งทุกขังอนัตตาอยู่ด้วยกันด้วยไม่ใช่ว่าอนิจจังจะอยู่มุมโลกหนึ่งทุกขังจะอยู่มุมโลกหนึ่งอนัตตาจะอยู่มุมโลกหนึ่งไม่เป็นอย่างนั้นอยู่พร้อมกันในคณะเดียวเลยอดีตคืออะไรคือ อนนีจังทุกขังอนัตตาที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออันนีจังทุกคังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออันนีจังทุกคังอนัตตาที่กาลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือสังขารที่ล่วงไปแล้วก็มีความหมายอเดียวกันอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กําลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือขันห้าที่ล่วงไปแล้วก็ถูกอนาคตคือขันห้าที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือขันห้าที่กาลังเป็นอยู่ มีความหมายอันเดียวกันอดีตคืออะไรตาหูจมูกเรี้ยงกายใจที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรตาหูจมูกเรี้ยงกายใจที่ยังมามาถึงปัจจุบันคืออะไรตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่กําลังเป็นอยู่ก็มีความหมายอันเดียวกันเอา้าไม่ต้องพูดยาวถึงขนาดอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอ น, นาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ ผุ้รูกับใจก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าไม่มีใจก็ไม่มีผู้รู้อดีตคืออะไรคือจิตที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือจิตที่ยังมามาถึงปัจจุบันก็คือจิตที่กําลังเป็นอยู่ก็เป็นแต่สักว่าจิตจิตในอดีตจิตในอนาคตจิตในปัจจุบันพระบรมศ า, ศาสดามาเนี่ยสอนให้ยึดมั่นถือมันใจเป็นแต่สักว่าใจจิตเป็นแต่สักว่าจิตกายเป็นแต่สักว่ากายโอลยศนาเป็นแต่สักว่าโอยศนานี่ธรรมชั้นสูง เวลาสจะสิ้นลมปราณผู้ใดพิจารณาเป็นตาสักว่ารู้เป็นตาสักว่าเห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกผู้นั้นก็สิ้นลมปราณในขณะนั้นผู้นั้นก็เข้าสู่พระเนพานไปซักพระไม่มีสิ่งที่ยึดถือใดๆทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์ซิไม่ได้สําคัญว่าศูนย์เป็นตนต น, ตนเป็นศูนย์ไม่ได้สําคัญว่าผูรูเป็นตนตนเป็นผูรู แต่มีสติเห็นอยู่ชัดอยู่แต่ไม่ได้เอาผู้เห็นไปด้วยเป็นแต่สักว่าเห็นเป็นแต่สักว่ารู้เห็นลมให้ยใเข้าออกก็เป็นแต่สักว่าเห็นเป็นแต่สักว่ารู้แล้วก็ทิ้นลมปานในคานั้นก็เข้าสู่พระนิพานไปสักเพราะมันว่างหมดแล้วไม่ยึดถือผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้มันเขาว่างหมดแล้วในใจโลกธาตนะุบางท่านก็บอกว่าจิตีิฉันไม่ว่า ข้าสำคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตค้อมว่าลมว่าใจเขาออกอยู่แล้วจิตก็ไม่ว่าลมก็เป็นแต่สักว่าลมจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตเราไม่ใช่ลมเราไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ลมลมไม่ใช่จิตเราไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ศูนย์ศูนย์สิ่งศูนย์ศูย์ก็ไม่ใช่เราเป็นแต่สักว่าเกิดขึ้นแล้วก็แปรดับเหมือนกันผู้รู้เนี่เกิดเร็วดับเร็วเหมือนกันผู้รู้เนี่ยดับเร็วที่สุดจิตนึกคิดก็ดับเร็วที่สุด ถ้าผู้พิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสิ้นลมปานคากันแต่ไม่ยังไม่พ้นทุกข์ก็ไปเกิดในภรมรุกมีอายุร้อยโกรดกับมีอายุมากยืนมากผู้ตายคาดวงแก้วที่พิจารณาเห็นอันใดอันหนึ่งรักตายคาอันนั้นเพราะนั้นก็ไปเกิดภรมรลกยังไม่พ้นทุกข์เพราะยังถอนอุปรารทานยังไม่ได้ ตายคาภาวนาพุทโธก็ไปเกิดพร ม, มโลกเหมือนกันตายคาภาวนาธรรมโมสังโคก็เหมือนกันข้ า, าว่าไม่ยึดถืออันใดในโลกพุทโธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณเป็นอนัตตาคุณพุทโธไปก็เป็นอนัตตาคุณธรมโมก็เป็นอนัตตาคุณสังโคก็เป็นอนัตตาคุณผู้เห็นตามเป็นจริงก็เป็นอนัตตาตามเป็นจริงเมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว ก็สูงไปกว่านั้นถ้าไยายถือว่าพุทธโธเป็นตนตนเป็นพุทธโธ<ๆ>ก็ไปเกิดพรมรโลกถ้าไมายาถือว่าพุทธโธเป็นตนตนเป็นพุทธโธพุทโธเป็นในสักข้อพุทโธตนเป็นในสักว่าต น, ตนคุณของพุทธโธไม่มีประมาณเป็นอนัตตาคณไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลจิตก็สูงไปกว่านั้นอีกเป็นพรมรโลกขั้นสูงอีก เมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกความกำลังลมหายใจเข้าออกแล้วผู้โลกก็ไม่ยึดถืออดีตก็ไม่ยึดถืออนาคตก็ไม่ยึดถืออดีตเป็นแต่สักว่าอดีตอนาคตเป็นแต่สักว่าอนาคตปัจจุบันเป็นแต่สักว่าปัจจุบันไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกความกำลังลมเข้าลมออกก็สิ้นลมไปในขณะนั้นก็เข้าสู่พระนิพานไปสักที่นี่อะไรนะทีนี้ไปสงนามสักทีนี้ที่นี่ไม่คิดอะไรก็ทำสัก นี่น้ำปลาลูกสักใช่ไหมใช่แล้นก็เคีนสักมาเค s ยนสั ให้พรเลยยท า, าวาติวาพุราปริเพรินติสาสาังเอวเมวะเอะตูเินังเปตานาังโนภากระบติ อิชิตังปะีตังตมหังคิบะเมย์ปะมิสะตุสเพปูเรียนตูสังกะป่าจันโทปะเนโสยะามันิโชติระโสยะทาสพีตโยเยวัจันตุสะปะทุโสะปะโยสะโกวินัสสะตุมาเทปะวัตตันตรายโยสุขีตีกาโยโคพะอภิวาตนาสีริตะนิจังวุตตาปะชายินโวชัตาโรธรรมวัจันติ อายุวันูสุขังภะรังเตอัคตรตาสเกตาวรณาพุทธสาเจเนโรกาเกตตาหตะาทะเพยยาตีภิปุวัตสัพพังการลักขันตระปฏวตาสัพพุทธานุพาเวนะสัาสุตีภวันตีภวตสัพพังการลัันตระปฏวตาสัพพตมานุพาเวนะสัาสุตีภวันตีภวตสัพพังการลักขันตระปฏวตาสัพังขานุาเวนะสัาสุตี พระอัทวเตยอยู่ทุกว่าไม่มีประมาณตือด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณ ข, ข้าไม่มีประมาณแล้วก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไหมเชื่อแล้วก็เหนือโลกอยู่ทุกยุกทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่นหน้าที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีทั่วทางสพัพพะตะโลกาหรือพระไะตรสัพพะไตรจักรวาลจงมีความสุขความเจริญในวววว พุทธศาตนาเพราะว่าสมายัยพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งเกินไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนทุกทนหน้าโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอความยินดีในโรคทั้งปวงก็คือความยินดีในลุมฐานเพินพระโสดาบันไม่ได้ยินดีในโรคทั้งปวงเลยทําอะไรด้วยกายวาใจาใจหวังเพื่อจะหลุดเจ้าพ้นจากวัฏสงสารทั้งนั้นเช่นประจ้บัติ ศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหลอกกินขนมเขาเพื่อเพลินทุกในวัฏฏะสมสารเท่านั้นอันนั่นคือภูมิพระโสดาวันไม่ถือเลิกดียามดีไม่ได้เอาพระไปขแขวนคอแต่ว่าเอาแขวนใจไว้นั่นภูมิพระโสดาวันเมื่อถึงพระโสดาวันแล้วสัพพาคามียนาคามียอรหันต์ก็เปิดประตูไปนัโม่เบื้องต้นของพระโสดาวัน นโมแปลว่านอบน้อมนโมพระสกทาคามีนโมพระอนาคังีนโมพระรหารพระทหารเรียนนโมจบแล้วคือนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายจนไม่มีโรคมีโกรธ ม, มีหลงอันใดเลยเรียกว่าจบความนอบน้อมแล้วเหนือความนอบน้อมไปแล้วใช่หรือไม่ปัจจุบันของพระโสดาบันปัจจุบันสกทาคามปัจจุบันอนาคามีปัจจุบันพระทหาร พัจวัปปะอรหันจบแล้วพุทธะสี่จำพวกสัมสมาสัมพุทธะจำพวกหนึ่งพระเจับพุทธะจำพวกที่สองสาวกพุทธะจำพวกที่สามสามิกาพุทธะจำพวกที่สี่นี่เรียกว่าพุทธะสีจ่จำพวกพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ธรรมะทรงไว้เชิงผู้รู้สังฆปฏิบัติผู้รู้ก็จริงแต่ว่ามีคุณค่าต่างกันสติสเฉลี่ยกันไม่ได้ สมมาสัพพุทธเป็นชั้นที่หนึ่งวจิพุทธเป็นชั้นที่สองสาวกพุทธเป็นชั้นที่สามสาวิกาพุทธเป็นชั้นที่สี่ทีนี้พุทธสาวกโกพุทโธอีกสี่จำพวกสาวกโกพุทโธพระโสดาบันสาวกโกพุทโภสาวกพุทโธยพพุทธแปดจาพวกเลยสาวกโกพุทโธพระโสดาบันสคกรากาเมนาคาเมนาลาน ทำคําสอนของพุทธศาสนาซ้อนมากก็จริงแต่ย่นลงมาก็ย่นลงมาเป็นเอกานิบาตย่นลงมาหนึ่งพระไตรปิฎกไตรแปลว่าสามถ้าว่าเป็นสามกายวาจาใจปิดกกายปิดกวาจาปิดกใจถ้าสูงก็สูงของกายวาจาใจพระปณัมภะก็มัดเข้าที่กายวาจาใจว่าเป็นสามเป็นเอกานิบาต ถ้าว่าเป็นสองก็กายครับใจถ้าว่าเป็นเอกะนิบาตก็ถึงใจเราจะนับถึงหมื่นถึงแสนก็ตามก็ยนับออกจากรักหน่วยใช่ไหมถ้าจะย่นลงมาก็ย่นมาหารักหน่วยพูดมากฝากหลายก็พูดมากฝากหลายออกไปจากมนุษคือใจใช่ไหมย่นลงมาก็ย่นมาหาใจใช่ไหมสมมุติจะมีมากก็มากออกไปจากใจถ้าย่นลงมาก็ย่นลงมาเป็นเอก ะ, มอกะสมมติเอกะสมมุติถ้ายน่น สมมติลงมาเป็นหนึ่งก็ย่นหรืมุดลงมาเป็นหนึ่งเหมือนกันเท่นั้นพระบรมศาสลาจึงยินจันว่าเรารู้สมมติตามเป็นจริงสมมติเรารู้วิมุด ต, ตามเป็นจริงของวิมุิเรารู้ว่านิพญานตามจริงจริงของวิญญานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารู้วิญญานตามจริงจริงของพวิพญานแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสอง ถ้าเราติดอยู่ในพระนิพพานก็เรียกว่าเรามาอยู่พระนิพพานถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเรามาอยู่สังขารเน็ตนั้นเราไม่ติดอยู่ทั้งสังขารและนิพพานด้วยเราไม่ติดอยู่ทั้งอดีตอน า, าคตปัจจุบันด้วยเน็ตนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจรึงดับไปณนะที่นั่นเองเราเขาสักบุคคลตัวตนอะไรอวิชชาตัณหาอุ ป, ปาธานอวิชาขอามงโ ง, โงเ่เข่า ของเราที่ความฉลาดเหนือไปแล้วมันก็แตกกระเจิงไปในนะั้นที่นั้นเองคำสอน่นพระพุทธศ า, าสนาศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงเมื่อใดเห็นทำทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนน็นนิจนาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นแหละเป็นสีลนิสุทธิสมาธินิสุทธิปัญญานิสุทธิ์กลมกลืนกันอยู่ในปัจจุบันเอง เห็นหน้อนิจจังคณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเห็นทุกคณะคิดหนึ่งพรอบกำลมหายใจเข้าก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราโลกเต็มไปด้วยทุกเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมีแต่สั้งขันและกองทุกเต็มยัดเยียดอยู่ในโลกคณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเลยไม่จําเป็นจะล้มโลกโลกอดีตโลกคณะทศโลกปัจจุบันเพระเอาโลกปัจจุบันเป็นพยาน มีทั้งหนังทั้งเขาด้วยโลกอดีตร่วงไปแลว้วโลกอนาคตยังไม่มาถึงโลกอดีตรต่วงไปแล้วมีแต่บัญชีโลกอนาคตยังไม่มาถึงก็มีแต่บัญชีโลกปัจจุบันมีทั้งตัวเงินด้วยมีทั้งบัญชีด้วยมีทั้งหนังทั้งเขาด้วยเอาปัจจุบันเป็นพยานเอาคนใกล้ชิดเป็นพยานถ้าเอาคนไกลเป็นพยานเขาว่าพยานจ้างพยานหาใช่ไหมทา คำสอนของพุทธศาสนาจะเป็นเรื่องกินให้เขื่องเพื่อให้ไพร่ในเชิงกราบตะเพียงในก่อตามถ้าไม่สลดใจในวัฏสงสารก็เท่าภาษาก็เท่าบาดีวดเดียเท่าทำวัดเดียวไม่ได้พระพุศาสนาทรงเสนอพระศาสนาศาสนาเสนอจแต่และวัดระบตดก็ตามหรือมากก็าตามเป็นเรื่องกินแต่งกวีเพื่อให้เรื่องกินให้เขื่องเพื่อให้ไพร่ในเชิงกราบก่อตามถ้าไม่มีสลดจั้งเหวศ ในวัฏจัรสองสารนี่เท่าพาร์สิเดียวไม่ได้พระบรมราสนาพูณอย่างนั้นที่ครูทั้งหลายเธออยาประมาเธอจงรีบทำความหลดุดพ้นซะเดี๋ยวเธอจะเสียใจใ น, ยยานภายหลังพระบรมราชนาเธอในสักใจโลกธาตุเธออยากเข้าใจว่าเป็นของไหนเป็นของเก่าที่พวกเธอเคยหลงมาแล้วนั่นอพระบรมศาชานาคตอนอย่างนั้น น้าตาของพวกเธอทั้งหลายที่มาท่องเที่ยวในว่าตาสงสารนี่ในกัปหนึ่งกัป ห, หนึ่งก็มีพระกิจเจ้าถ้าพระองค์มากถือพองค์าแต่กัปที่ล่วงไปก็มากกว่า100ร้อยโกดที่จะมาอีกก็มากกว่า100ร้อยโกดแต่พระกัปร่วงไปถ้าพระเธอเก็บหน้าตาของพวกเธอไว้ชาตินาหต์ชั่วกัปหนึ่งมาให้อันตรธ า, านไปก็มากกว่ามหาสี่มหาสมุตสิสีมหาสมุติ นานๆจึงจะได้ออกถ้ามาให้อันตรธานหายไปชั่วครับหนึ่งแต่ละคนก็มากกว่าเสียมหาสสมุดเนอร์พระบรมสารีรามแผ่นดินที่ไหนพวกเธอจะไม่ได้มาทอดทิ้งในธาตุดินธาตุาน้ำธาตุไฟธาตุลมพวกเธอจะไม่ได้มาตายใส่ไม่มีเล้วพระบรมสารีรามตอนเป็นของเก่าของพวกเธอท่านเองที่เคยลงหมาเราจะถากถอดกรรมนั้นกันกระดูกของพวกเธอเก็บไว้ชั่วกับหนึ่งเก็บไว้ชาติ และเท่าหัวแม่มือชั่วกับหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขาเหิมาอะไรที่ฉุกเฉินา ย, าายอุบาทศอุบาสิกาทั้งหลายอื่นเธอทั้งหลายอย่าไปสใส่สจเธอพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นในทะเลโลกทาตนี่เธอไปหาดูดูคนนั่นไม่เคยเป็นญาติคนนั่นไม่เคยเป็นพวกข้องคนนั่นไม่เคยเป็นศัต ร, คนนครูคนนั่นไม่เคยรังเกียจคนนั่นไม่เคยรักเคยทางกันมันไม่ค่อยมีนะ ไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งพิชัวทั้งหลายหรือเหมือนล้อรถที่วนเวียนอยู่ไม่มีเงั้นต้นเงื่นป้ายเมื่อใดมีอวิชาตำหาอุปาทานอยู่ล้อทั้งหลายโกวนเวียนอยู่พิชัวทายเธออย่านอนใจเธอยังไม่มียานว่าพ้นทุกนายวัฏสงสารโดยที่นเชงแล้วผู้ว่าศักด์วาชีกางพวกเธอทั้งหลายอย่านอนใจเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังคำสอนของเราแต่ละบทละ่า ค่ายๆก็ต้องเรียกพวกท่านทัหลายอยู่มาเถิดพวกล้านเอ๋ยมาถิดพวกล้านเอ๋ยค่ายๆก็ต้องเรียกอย่างนั้นอยู่ที่นั้นเป็นที่วุ่นวายเป็นที่คัดข้อคือในใจโลกธาตุเกิดแท้ตายตายและวเกิดเกิดแท้ตายแล้วเกิดอยู่นี่ไม่มีวันจบขึ้นเลยโลกปวดสมอยู่ก็เหมือนกันโลกลมเสียใจจงเรียบดับไปซักไปไม่ค่าของพวกเธอทั้งหลายไม่ศีกษะของพวกเธอทั้งหลายอยู่ <c music> พรุ่งนี้พวกเธอจึงระดับมันจะถูกไหมพระบรมศาสดาพูดว่าให้พวกเรานอนใจผู้นนใดนอนใจในว่ัฏสงสารยังไม่มียานพ้นทุกจะสําคัญตัวว่าเป็นผู้ฉลาดับเพียงใดก็าตามก็เป็นคนโง่เป็นเชื้อพึ่งของโจรตนยังไม่ได้สนิทพระบรมศาสดา น, น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าป่วยพึ่งหมอเดินทางไกลพึ่งผู้ขับรถขับเรือ แต่ก็ไม่กันหวังซึ่งตนจึงจะไม่จนได้พึ่งท่านผอื่นก็สมประสงค์บ้าไม่สมประสงค์สมบ้าเพราะยังมีกมิเลสอยเมื่อกิเลสได้มีอยู่ในคันธะสั้นงานของตวกเธอตามใดก็คือถึงที่สุดทุกน้อยชอบนี้จงทําปัญญาให้เกิดขึ้นเหนือความหลงของตนเสียถิดพระบรมศาสนาปัญญาไม่เกิดก็พระไม่อบรมปัญญา ปัญญายะปริสุทธิ์สติบุคคลจะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญาโลคะมิปโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีส่วนพระอาทิตย์ที่กำบังมันก็ไม่เห็นซักที่ถ้ำที่เหียวลึกมันก็ไม่เห็นส่วนปัญญามันทะลุเลยเช่นเห็นอันจังคณะคิตนึ่งก็ทะลุโลกแล้วเพราะภูเขาจะแตจกจะสลายเป็นยาพ่ราซองทะลุภูเขา เห็นอธิจังคณะกิดหนึ่งเห็นรอบโลกแล้วเห็นทุกคณะกิดหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้วเห็นพ่อมกำลมหายใจเข้าออกเห็นอธิจังหมายละเอียบถึงเพียงไหนหมายใกล้ๆอีกครับนึกขึ้นแล้วก็พูดนั่นอธิจังพูดแล้วก็ล่วงไปเสียงเข้าหูส่งลงสนใจก็ล่วงไปแล้วตาเห็นโลกก็ล่วงไปแล้วเห็นอีกก็ล่วงไปอีกหูฟังเสียงก็ล่วงไปแล้ว คิดทีน้นขึ้นพูดก็ร่วงไปเรี่ยพูดกันบ้างมากก็ติดต่อกันดับไปดับไปดับไปเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับไปเป็นไฟความเงินทางจะเกิดดับเร็วจนติดกันเป็นพื้นเธอทั้งหลายต้องรู้ตามเป็นจริงเถิดต้องปฏิบัติตามเป็นจริงเถิดต้องอย่าได้หลงตามเป็นจริงเถิดเธอทั้งหลายหลงอยู่นี้มีอยู่สีข้อพ็ลมปราศสนา สิ่งที่ไม่ที่อย่างเธอทั้งหลายหลงว่าเป็นของเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เธอทั้งหลายหลงว่าเป็นของสุขคือหนังหุ่มอยู่โดยรอบสิ่งที่ไม่เที่ยงเธอทั้งหลายหลงว่าเป็นของเที่ยงคือหนังหุ่มอยู่โดยรอบสิ่งที่เป็นทุกข์เธอทั้งหลายถือว่าเป็นของสุขคือหนังหุ่มอยู่โดยรอบสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็เธอทั้งหลายยึดมั่นถือเป็นตัวตนจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกก็คือหนังหุ่มอยู่โดยรอบ สิ่งที่ไม่สวยไงามพวกเธอทั้งหลายสําคัญเป็นของสวยของงามก็คือหนังหุ้มอยู่ในรอกอันนี้เรียกว่าปัดชัดตาธรร ม, มาคือทําภายในส่วนถ้าเฮตตาธรร ม, มาทําภายนอกก็เหมือนกันเมื่อเห็นทําภายในชัดแล้วทําภายนอกก็อันเดียวกันท่านผู้ชมที่นี้ย่นสิ่งเหล่านี้ลงมาเป็นหนึ่งซัก เมื่อเธอทั้งหลายไม่หลงใจเธอทั้งหลายก็ไม่หลงทำอันมาเป็นผู้ขับใจย่นลงมาเป็นหน ed, ึ่งเท็จฉันผู้ใจสูงทำสูงจึงไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้จึงไม่ยัดถือผู้รู้มีในตนตนมีในผู้รู้เช่นพสาญักษ์ไปรบกวนฟังเทศพระพุทธบราษาษาิบาลมัสนารขอให้องค์สมเร็จพระบรมศาสนาเทศให้เจ้าฟังด้วย ออเวลานี้เราบินถมาดีไม่เป็นฐานันดรสักที่จะไปที่มันไม่งายบางทีพระบรมาาสารีริกธาตุลงฟานเยอะนี่ก็ได้บางทีกระผมเช่นลงฟานเยอะนี้ก็ได้เ อ, อ้อถ้าอย่างนั้นก็มันยากเป็นแต่สักว่์ราชูเป็นแต่สักด่์ราชเห็นเนืครับพอเนี่ยทาไมจรงว่าอย่างนั้นพราะไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ไม่รู้ว่าไม่ยึดถือผู้เห็นเป็นตนจนผู้เห็นบิน ญ, ญามวันีสันติก็แตกกันเจอไปณนะที่นั่นที่ ก็ว่างไปนะที่นั่นเองก็ไม่มีใครมิออเชื่อเป็นตัวของอันนี้เป็นธรรมชั้นสูงทำไมท่านยังเข้าใจเพราะท่านอบรมมาแฝ่พบก่อนชาติก่อนสูงแล้วดอกบวัวดอกบวัวสบายพอได้รับรับสมีมาก็บานรับเลยอยากว่าพกเพรยักตาปุญญาตาผู้ทำความเยอะในฟางกอดึปปฏิเสธไม่ได้เหตุนั้นจึงว่าทำใจระเบัตระส่งต่อท่ า, น า, าัน นโมพระโสดาบันโมสัพาเขานโมพระร น, นโมพระราหันนอบนอบไม่มีเศษเศษนั่นทำสาวรวัตรระบาดซึ่งส่งต่อเขาในฟารหมดมันขึ้นอยู่กับบรารมีของผู้แก่เก่ามาแล้วจะกบูชาบูชาด้วยอามิตรพระเบัตรบูชาบูชาด้วยปฏิบัติตามบูชาทั้งสองอย่างจะเว้นไม่ได้เหมือนกันแต่ประเบัตรบูชามีอนิสงฆ์มากอามิตรจักบูชาก็มก็มีอนิสงฆ์เหมือนกัน แต่ไม่เท่าปฏิบัติบูชาถ้าไม่มีอามิชชาบูชาก็ไม่มีที่อยู่ที่กินที่ใช้ที่สอยก็ปฏิบัติยากเหตุนั้นจะภาค ก, กันไม่ได้ถ้าไม่มีหนังเนื้อก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอเมตตาพรุ่นี้จะกลับหรืออืเออจะกลับตอนไหนพรุ่งนี้อะแต่ว่าทานอาหารจะก่อนอืม อ, อ, อะไรอะไร อะไรเออเพราะอะโอ้โออชันทักพอใจนะไข่กรรมฐานที่ตั้งไว้เนี่ยเพียนแบบประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตะเอาใจสักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไม่มังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณแลว้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์เพื่อเดี๋ยวใช้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาอิทธิบาทคือคนเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างหนึ่งชั้นทัก เอาใจรักใครในกรรมฐานที่สร้างไว้สองวันนี้เพื่นมันก็ขอบในกรรมฐานที่ตร้งไว้สามเจตตะเอาใจรักใครในกรรมฐานที่สร้งไว้สี่มังสามันปรรตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่สร้งไว้ขุี่อย่างนี้มีบริบูรณ์เลยถ้าจะนาบุคคลให้ถึงสิ่งที่ทต้องมาถึงสิ่งนี้นี่เรียกว่าอิธิบาทภาวนาเข้าใจนะศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วันนี้ความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สติและด้วยชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้อินทรีย์ห้ากรณีเพราะเป็นกิจธุระใหญ่ของในเฉพาะตนพระคือทำเปนกำลังข้ายาญรวมมันเป็นเชื่อข้าเฉียวย่ก็มีกำลังมากศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยเที่อเนกกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและด้วยชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรูปในกรรมฐานที่ตั้งไว้ก็มีความหมายอันเดียวกันเป็นเชือกห่างเดียวเหนียวรั้งที่ประทุลกสมาธิตั้งมั่นลงปัญญาก็รุ่งขออาเรียกว่ตรที่ขาเหมือนกันตรที่ขาของพระสรดาบันไตรที่ขาสัพพะขากลางตรที่ขาของประนากันตรที่ขาของประนางพระรหันเรียนไตรที่ขาจบจบทั้งป ร, ริญญาปฏิบัติปฏิเวศศาสนานรัทธิยะเห็นเยี่ยม ปฏิปทาโนตเรียโนตเรียปฏิบัติเยี่ยมมีมุตานโตเรียขคนเยี่ยมพาาระรามข้นเยี่ยมก็ได้ข้นเยี่ยมของพระสวัสดิวันเยี่ยมเป็นเอกเทศคนเยี่ยมสักษาธรรมีเขาเป็นอีกประเทศม่กับคื้นเยี่ยมพระอนาคามีก็เป็นอีกประเทศเยี่ยมพระารามไม่ขบคืนเยี่ยมหมดเลยสมมติว่าพระสวัสดิวันตีจังหวัดหนึ่งได้แล้ว แต่กระเจิงแล้วไม่ขบทคืนอีกตีอีกจังหวัดหนึ่งก็มา่ขบุดคืนตีอีกจังหวัดหนึ่งอยู่ก็ไม่ขบุดคืนตีอีกเป็นคำล็อที่สี่นี่ก็มา่ขบุดคืนก็เรียกว่าพระรามก็ที่เหลือไม่ขบุทคืนพระโสดาบันมีที่เลือยู่แต่ที่เลือพระโสดาบันไม่สามารถจะทวีขึ้นนี่แต่จะร้อยหลอเลยหมไปพระพุทธาคารนะครับก็มันทั้งวันทิ่เลืพวกที่อยู่ในโลกี มันบอกไม่ถูกเดี๋ยวก็ บ, บานนะเดี๋ยวก็หยุดลงวนเวียนอยู่เหมือนในอู่ของพระธาันเหมัอนวุ่นปรยวไปตามลงไม่แน่นอนถ้าถึงพระสวัสดิวันแล้วแน่นอนดิ่งถึงพระนิพพานเลยนะพระธารันนั่งน้อมจนไม่มีโรคไม่ปวดไม่หลงและไม่มาเกิดแก่เก็บตายเองด้วยเรียกว่าพระธารันเรียนโนโมจบใช่ไว้ปัจจุ บ, บันพระสวาาัสดิวันปัจจุบันสักตาการกากาีปัจจุบันพระอานาคามี พระรจักรพพระสานพระจักรพรรดพระปฏิพระจักรพรรดพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะเอาไปเทียบกันไม่ได้มียิ่งยอนกว่ากันทุตทัศสีจําพวกสมาสัมพุทธะจพา พ, จพวกหนึ่งปฏิกระพุทธะจาพวกหนึ่งสาวกสาวิตรีจาพวกหนึ่งทีนี้พุทธะขยายออกมาเองพรสดาวันสาวโกโภพทโทเป็นเอกเทศสักกชาคามสาวโกโภพทโทเป็นเอกเทศไปอีกพนจากกิเลสเป็นเอกเทศ อนาคามีสาวกโกพุโทโธหรือสาวิกาพุธทธาถ้าเป็นพระถ้าถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นเพศชายกสาวกโกอรหันสาวิกาอรหันมีเรียกว่ารวมเป็นพระอรหันรวมเป็นพุโทโธแปดจําพวกบางท่านก็บอกว่าพุโทธโธพุทโธแต่ว่าผู้รู้ระาบาตรำเง็นบุญ ธรรมโรงไหวเสื่งผู้รู้ละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆแปลว่าปฏิบัติเพื่อละบาปบําเพ็ญบุญแต่ไม่อธิบายพุโทโธให้ปะปนกันต้องมียิ่งมีหย่อนกว่ากันผู้ฟังก็ไม่กันเราก็ไม่ถนัดเหมือนกันสัมมาสัมพุโทโธเป็นชั้นที่หนึ่งวจเจ ก, กพุโทโธเป็นชั้นที่สองส า, สาวกโอพุทโธสาเป็นขั้นที่สามที่สี่ของสา ว, วิกาอยู่จะไปตีเสมอกันไม่ได้เช่นปัจจุบันพระสวดวันมปัจจุบันสกทาคาเมญนาคามญนาหัน ตลอดถึงรัจจุบันพระัมาสพุระเจ้าและพระพเจียไปเทียบกันไม่ได้เพราะมียิ่งยอนกว่ากันชัหรือไมคําสอนแก่ระบรมราชวงศ์ต่อก็ในพานหมดมันขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้ามาแล้วถ้าบารมีแก่กล้ามาแล้วก็ส่งต่อพระในพานได้หมดพุทโธคําเดียวก็ส่งต่อพระในพานนะพุทโธไม่มาเกิดพุทโธไม่มาแก่พุทโธไม่มาเก็บพุทโธแ ม, ม, ม่มาตาย ที่นี่พุทโธกี่คือคือพุทโธยังไงพุทโธเลขพุทโธผาพุทโธบัตรพุทโธ เ, เ, เบอร์ใช่ไหมเช่นพระพานริยะบารมีแก่กล้ามาแล้วไปรบกวนฟังเทศพระปรมศาสตรเป็นคราวาสอยู่ขอให้องค์สมเร็จพระปรมศาสนา์เทศท่านก็ออกฟังด้วยเออเราเวียนท้าบาทอยู่ไม่สมควรบางทีพระปรมศาสตร์ตรสิ้นลมปาณในขณะนี้ก็ได้บางทีกับผมก็ได้ เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแตสักวารู้เป็นแตสักว่าเห็นครับพอแล้วแ ต, ต่ฉันเอาไปที่สามัญสิเหตุไหนจงเปลี่ยนอย่างนั้นเพราะท่านได้สร้างบารมีแก่ต้ามาแต่พบก่อนแล้วทำบาดคาสาเดียวก็ส่งต่อไปนด้พนานหมดอธิบายดูดุทําไมที่ว่าเป็นแต่สักวารู้เป็นแต่สักว่าเห็นหมายความว่าอย่างไนเป็นแต่สักวารู้เป็นแสักว่เห็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอย่าไปยึดผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล ไม่ได้ยึดผู้ลูกผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอนัตตาธรรมอันไม่เกิดไม่ดับไม่ได้ยึดถือใดใดทั้งปวงเป็นได้สักว่ารูกเป็นได้สักว่าเห็นเออเป็นซักขี่ลูกขีมาแห่งยังขึ้นปัญหาโลกมันย่ำมาหลายแท่กิเลสลายปัญหากหลายนี่เพระในพ่านว่ามีปัญหาเนี่ยโลกนี้ไม่มีปัญหาเพราะกิเลสลายกิเลสมันมากจากสีสนิมมันมากจากสี มันก็มาจากกีอยากเล็กขันบ่มีเล็กสนิมกับบ่มี่ขันเล็กดีขันบ่หมีสนิมกี่เล็กเป็นกับแมาจับใจขใจพ่อจากกี่เล็แล้วกี่เล็กกับบ่มีเป็นยังจังอาบน้ำร่างกายมันสกปรกเปงนยังจังปฏิบัติศีลธรรมเสียใจมันสกปรกการข้องเขียบพูดแล้วสอนดีโกโมพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดอ่ะ พอเคยประสบการณ์มาแล้วใคยประสบการณ์มากเกมโกงพระพุทธเจ้าประสบการณ์ในท่านดีกับเนือเพลินประสบการณ์ในท่างชัวกับเนือเพลินเหตุเตจ้งไหนเหตนจ้งสั่นเจ้าแม่มาสอนโลกไว้สอนโลกเกมโกงจู่พระพุทธเจ้าก็ได้มาเป็นลุกๆๆก็มาสอนอันเดียวกันสอนฆราวาสกับไม่มีบนแท่งสอนพระเนีนกับไม่มีบนแท่ง